ช่างมันมันจะเผลอนาน <_ d iam ond> เผลอยาวเท่าไหร่ช่างมันแต่เราคอยดูคอยดูความเผลอเขื่อที่เกิดขึ้นมันเผลอเท่าไหร่ก็ช่างมันฉันจะตามดูมันจะเผลอแบบไหนเผลอแบบไม่พอใจด้วยก็กลายเป็นมีโทสะเผลอแบบพอใจก็กลายมีราคะเผลอแบบเฉยๆราคะก็ไม่เด่นโทสะก็ไม่เด่นกลายเป็นเผลอแบบธรรมดาคือโมหะดูอย่างงี้นะมันจะเผลอไปทางไหนได้บ้างทางตามองแล้วก็ เห็นอะไรตอนนี้โยมมองมาเนี่ยเห็นอะไรเห็นพระอใจมาอยู่กับพระใช่ไหมไม่รู้ตัวเองใช่ไหมยอย่างงี้เรียกว่าเผลอมาดูแต่ตอนนี้ให้มาเผลอตอนนี้เพื่อมาฟังพระไว้ก่อน <laughs> ไปทางหูได้ไหมหู